Book 2หกสิบที่ธนาคารอุบคุผมต้องการเปิดบัญชีนี่คือหนังสือเดินทางของผม และนี่ที่อยู่ของผม вось мой ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม Я жадаю залечить грошы на свой рахунок ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม я жадаю знять грош з майгу рахунку ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี ผมต้องการแลกเช็คเดินทางค по ่าธรรมเนียมเท่าไรครับ к у ่ с ค м у с к л а д а ัด ь податки? ผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับ ผมกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันนี่คือเลขที่บัญชีของผมเงินเข้าหรื อ, อยังครับผมต้องการแลกเงิน ผมต้องการเงินดอลลาร์สาหรัฐม н е н ติบเนียดอลลอรอราริากรุณาขอแบงก์ย่อยครับกาลิลาสคาไดเซมีดรบนียคูเพรที่นี่มีตู้เอทไเอมใหม่ครับตุตยุส บ, บ, บันคมัดสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับ ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับอยากเขียนเครดิตในอ卡ท์ก็มั่งน่าวิเคราูวักรุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด